ในการดำเนินชีวิตเพื่อไปสู่ความสุขความเจริญเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเราจำเป็นจะต้องมีที่พึ่งอยู่สองส่วนด้วยกันคือหนึ่งที่พึ่งที่เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้นำทาง และสองที่พึ่งที่เป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติตามถ้าเราไม่มีที่พึ่งทั้งสองประการนี้เราจะไม่สามารถที่จะพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ที่พึ่งส่วนที่หนึ่ง ที่เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้นําทางก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองเพราะไม่มีใครที่จะฉลาดที่จะรู้ดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีเป็นผู้ที่ได้ดําเนินชีวิตของท่าน ให้ได้ไปสู่ความสุขความเจริญที่สูงสุดแล้วและได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์ทั้งหลายแล้วท่านจึงมีความรู้ความสามารถที่จะสั่งที่จะสอนที่จะพาผู้ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ให้ไปสู่ความสุขที่เจริญความสุขที่สูงสุดคือพระนิพพานได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถสั่งสอนได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายผู่ที่สั่งสอนตามสถาบันการศึกษาต่างๆนั้นเป็นผู้ที่สั่งสอนความรู้ ที่เรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดมีความรู้ระดับปริญญาตรีโทเอกแต่ไม่สามารถเอาตัวให้รอดออกจากกองทุกข์ทั้งหลายได้ยังต้องติดอยู่กับกองทุกข์ต่างๆเพราะเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดจึงไม่ได้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของผู้ที่ต้องการ จะเดินไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงที่สูงสุดได้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้ที่ต้องการดุดพ้นออกจากกองทุกข์ทั้งหลายได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะสามารถเป็นสาระเป็นที่พึ่งพาสัตว์โลก ที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ยังสวงหาความสุขที่แท้จริงได้ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นผู้สั่งผู้สอนผู้นําทางผู้ที่ต้องการที่จะไปสู่ความสุขความเจริญที่สูงสุด ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจึงต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณ ะ, ะการยึดนี้หมายถึงยึดในคําสั่งคําสอนอยึดในแบบฉบับของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงส อ, งสอนอย่างไรพระอริยทรงทั้งหลายสั่งสอนอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นท่านทําตัวอย่างนั้น เราก็ต้องเอาแบบฉบับของท่านท่านทำตัวอย่างไรเราก็ต้องทำตัวอย่างนั้นท่านสอนให้ทำอย่างนั้นท่านก็ทำอย่างนั้นนี่คือที่พึ่งที่หนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีเพราะเรายังไม่รู้จักทางที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญที่สูงสุดได้ เราไม่รู้จากทางที่จะพาให้เราหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจึงต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้นำทางเราจึงยึดคาสั่งคาสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเราจะไม่ยึดคาสั่งคาสอนของผู้อื่น ถ้าคำสั่งสอนของผู้อื่นนั้นขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่ขัดก็สามารถยึดได้เพราะถือว่าไปในแนวทางเดียวกันเมื่อเรามีที่พึ่งที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องมีที่พึ่งที่สองที่พึ่งที่สองก็คือผู้ศึกษาผู้ที่จะปฏิบัติตาม พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองก็คือตัวเราเมื่อเราได้มาพบกับที่พึ่งอันประเสริฐมาพบกับผู้ที่มีความรู้ความฉลาดที่สูงสุดเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเข้าหาเพื่ออะไรเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอริยสงสาวก็ดี เราไม่ได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้ท่านเสกเป่าให้เราล่าให้เรารวยให้เราเป็นใหญ่เป็นโตให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเพราะการเสกการเป่านี้ไม่ได้เป็นวิธีการที่จะทําให้เราล่ารวยหรือเป็นใหญ่เป็นโตหรือหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้ แต่การศึกษาคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้แหละแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามจะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงที่สูงสุดและนำเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อยู่ที่การศึกษาดูวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกเมื่อเราได้ศึกษาได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรและเห็นการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกว่าท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองไม่มีใครจะมาศึกษาให้เราได้ ไม่มีใครจะมาปฏิบัติให้เราได้เราไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าได้ด้วยการจุดธูปเทียนสามดอกจุดธูปเทียนแล้วก็กราบชาเช้าเย็ยนแล้วก็นั่งขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากพระพุทธรูปต่างๆการกระทำเหล่านี้แบบนี้ไม่ได้เป็นการ ปฏิบัติที่จะนําไปสู่ความสุขความเจริญที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้การที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเราจําเป็นจะต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าและพระอริยสง์สาวกท่านปฏิบัติกันอย่างไร ท่านดำเนินอย่างไรแล้วท่านสอนให้เราปฏิบัติกันอย่างไรดาเนินอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติรู้เฉยๆก็ยังไม่พอรู้แล้วก็เอามาอวดเอามาคุยว่ารู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้าง เช่นในสมัยพุทธการก็มีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งท่านก็ศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์สามารถท่องพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าได้แต่เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงพบปะเจอหน้าพระองค์จะทรงตัดว่าเธอนี้เป็นใบลานเปล่ามีความรูปเป้เปล่าเปล่า มีความรู้ที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเธอเรียกว่าใบาลานเปล่าพระโปธิรั์ใบาลานเปล่าเจอทีไรก็เพียงบอกว่าเป็นใบาลานเปล่าอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจนทำให้พระโปธิรัสนี้ได้ได้สติว่าจะต้องปฏิบัติ รู้เฉยๆ เ, เพียงอย่างเดียวนี้ไม่พอจึงไปสะ่ะแสวงหาพระอริยสงสาวกในสำนักแห่งหนึ่งที่มีแต่พระอรหันตสาวกทั้งพระและภิกษุทั้งพระและสมมเณรเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดจึงได้ไปกราบเจ้าสำนักขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์แต่เนื่องจากว่า พระโพธิรัตม่มีพรรษามากกว่าพระเจ้าสํานักก็เลยปฏิเสธเมื่อปฏิเสธก็เลยไปหาพระรูปอื่นในสํานักนั้นเพราะมีศรัทธาความเชื่อว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นแต่ไปหาพระรูปไหนท่านก็ปฏิเสธแบบเดียวกันเพราะเห็นว่ามีพรรษาน้อยกว่าไม่อยากยาสาว ไม่อยากจะสั่งจะสอนพระเทระจนในที่สุดก็เหลือสัมมเนนก็ยังมีความศรัทธาว่าจะสามารถสั่งสอนได้สั่งสอนวิธีการปฏิบัติก็เลยไปหาสามมเนนสมมเนนก็จะปฏิเสธเหมือนกับพระเทระต่างๆพ้าผู้ใหญ่ท่้งก็เลย บอกสัมมาเนนว่าไม่สงเคราะห์ท่านสักหน่อยเหรอเมื่อพระเจ้าสํานักเปิดโอกาสสัมมาเนนก็เลยรับพระโพธิรัตมาเป็นลูกศิษย์มาสั่งมาสอนก่อนที่จะสั่งจะสอนก็เอามาใช้ก่อนเอามารับใช้ก่อนเอามาล้างบาทรเช็ดบาทมากวาดถูกุตร ซักจีวรรับใช้ให้ทาอะไรต่างๆบางทีสา ม, มเณรก็แกล้งให้ลงไปลุยน้ำลงไปเอาของที่มีอยู่ในน้ำพอลุยลงไปในน้ำก็บอกว่าไม่เอาละเปลี่ยนใจพระเทระพระโพธิรัท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ดีท่านก็ไม่บนไม่โกรธไม่แสดงกิริยาอาการไม่เขารบ จนสัมมนเนนเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเชื่อฟังที่จะศึกษาคําสอนของสัมมนเนนสัมมนเนนก็เลยสั่งสอนสั่งสอนให้พระเถระจับตัวเหี้ยที่มันมีอยู่ในใจตัวเหี้ยนี่ที่อยู่ข้างนอกนี่มันมีทางเข้าทางออก อยู่หกทางด้วยกันถ้าอยากจะจับมันนี่ต้องปิดทางเข้าออกห้าทางแล้วก็เปิดไว้ทางเดียวแล้วก็ไปนั่งเฝ้าอยู่ทางที่มันจะเข้าจะออกเดี๋ยวมันก็ต้องออกทางนั้นเข้าทางนั้นเพราะทางอื่นมันเข้าไม่ได้ก็จะจับมันได้ฉันใดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวเฮี้ยของจิตใจ ตัวที่สร้างความหายณนะสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจมันก็มีทางออกอยู่หทางทางเข้าออกอยู่หทางคือทางตาทางหูทางาทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางใจสมรมเนินก็บอกให้พระโพธิรสปิดทวารทั้งห้าปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเอาสติจดจ่ออยู่ที่ ใจคอยเฝ้าดูความคิดปรุงแต่งของใจพอมันคิดไปทางกิเลสตัณหาก็หยุดมันด้วยสติด้วยปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาก็จะสามารถกําจัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆที่เป็นตัวที่นำให้จิตใจไปสู่การเกิดแก่เจ็บตาย อย่างไม่มีวันจบวันสิ้นได้พอกำจัดดิเลตันหาที่มีอยู่ภายในใจหมดไปได้พระโพธิรสก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมานี่คือเรื่องของการศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยศึกษาพระคำพีต่างๆศึกษาพระอภิธรรม ศึกษาพระปริยัติธรรมได้นักธรรมเตโตเอกได้ปเปียนเก้าแต่ไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเป็นใบาลานเปล่าเป็นความรู้ที่ยังไม่ได้เอามาใช้กับการกำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตในใจให้หมดสิ้นไปเมื่อได้ศึกษาแล้ว ก็ต้องปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้ต้องเป็นที่พึ่งของตนเองที่เรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคือ <c ười> ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองครูบาอาจารย์ท่านไม่สามารถปฏิบัติให้เราได้ <th ane> ท่านเพียงแต่บอกทางบอกวิธีการปฏิบัติให้กับเรา <c ười> แล้วเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเหมือนคนที่บอกทาง เราต้องการที่จะเดินไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่เราไม่เคยไปเช่นบนเขานี้ญาติโยมที่มาครั้งแรกนี้จะไม่รู้จักทาง mm hmm. ก็ต้องถามทางดูทางกันเปิดดูในเว็บก็ได้มีแผนที่บอกทางมาแต่ถ้าดูแล้วไม่ออกเดินทางก็จะมาไม่ถึงที่นี่แต่ถ้าดูแล้วออกเดินทาง แผนที่ที่บอกก็จะพามาสู่ที่จุดหมายปลายทางได้ออคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกทั้งหลายเป็นเหมือนแผนที่บอกทาง เ, ออเมื่อเราจะต้องการเดินทางไปสู่พระนิพพานเราต้องการที่จะเดินทางไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเราก็ต้องศึกษาแผนที่ เมื่อเราได้ศึกษาแผนที่แล้วเราก็ต้องออกเดินทางกันเราต้องปฏิบัติกันถ้าเราไม่ปฏิบัติกันเราก็จะไม่มีวันที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการจะไปกันได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเป็นอั ต, ตาหิอาตโนนาโถไปจ้างเขาปฏิบัติไม่ได้ เหมือนสมัยนี้บางคนไปจ้างคนมาบวชแทนอยากจะได้บุญจากการบวชแต่ไม่มีเวลาบวชหรือไม่มีกำลังที่จะบวชก็เลยไปจ้างคนที่เขาจะบวชให้มาบวชแทนไปเป็นเจ้าภาพให้กับคนที่เขาจะบวชอันนี้ก็จะไม่สามารถทำให้ผู้ที่อ อ, อก เงินออกทองออกค่าใช้จ่ายในการบวชนี้ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้จะไปได้ก็เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นเองคืออนิสงส์ที่เกิดจากการได้ทำบุญทำทานเสียเงินทองเพื่อให้ได้เพื่อให้คนที่ไม่มีเงินทองได้บวชได้เท่านั้นเองแต่ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะไปสู่ จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้ถ้าต้องการไปพระนิพพานนี้ต้องบทเองไปไปเป็นเช่าภาพบทให้คนอื่นนี่มันยังไปไม่ถึงนี่คือเรื่องของที่พึ่งอันที่สองที่สำคัญเท่าๆกับที่พึ่งอันที่หนึ่งถ้ามีที่พึ่งอันที่หนึ่งและมีที่พึ่งอันที่สอง เราก็จะสามารถปฏิบัติไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้าเรามีที่พึ่งอันที่สองแต่ไม่มีที่พึ่งอันที่หนึ่งเราอยากจะไปนิพพานแต่เราไม่หาครูหาอาจารย์เราไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติไปด้วยตนด้วยความคิดความรู้สึกของตนเองถ้าไปแบบไม่มี คููแบบไม่มีอาจารย์ก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะทางนี้มันไม่ได้เป็นทางที่ง่ายต่อการไปด้วยการศึกษาตามลำพังยกเว้นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีบารมีพอที่สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาทางไปสู่พระนิพพานได้ด้วยตนเอง คนอื่นนี้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วเอาความรู้ที่ได้ทรงค้นพบนี้มาสั่งสอนและปฏิบให้และปฏิบัติตาม <Yeah. S 1> ถ้าไปถ้าจะไปปฏิบัติโดยไม่ศึกษาเลย mm hmm. ก็จะหลงทาง mm hmm. แทนที่จะไปถึงพระนิพพานไปก็อาจจะไปสู่ความเป็นบ้าก็ได้ คนที่ปฏิบัติแล้วเป็นบ้านนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่มีครูไม่มีอาจารย์มีแต่อัติมีแต่อัตอาตาฮิอัตโนนาโถปฏิบัติตามลำพังของตนเองแล้วในที่สุดก็หลงทางถ้าไม่เป็นบ้าก็ต้องมีปัญหาอย่างพระสงฆ์บางรูปที่บวชแล้วก็ไม่อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ หลบไปปีกวิเวกในป่าในเขาตามลำพังพอไปอยู่ได้สักพักหนึ่งก็ออกมาประกาศตนเป็นครูเป็นอาจารย์อาศัยมีวาทะมีคำพูดที่ดึงดูดใจคนทำให้คนเกิดศรัทธามีลาภสักการะแล้วก็แพ้ภัยตัวเองเพราะเกิดความโลภในลาภสักการะ เกิดความหลงในลาบส ก, กาละใช้ลาบส ก, กาละมาเสกจนทำให้เกิดความเสียหายต่างๆตามมาจนต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางหรือจับสิกขาลาเพศไปเพราะเป็นพวกที่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์บวชแล้วก็เป็นครูตั้งตัวเป็นครูเป็นอาจารย์เลย อันนี้ก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและเสียหายต่อวงการของภรษาศาสนาได้เพราะว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วจะพาคนที่ไม่ฉลาดนี้หลงตามได้ดังนั้นต้องมีสองที่พึ่งทั้งสองส่วนคือต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มีครูอาจารย์เป็นคอยเป็นผู้คอยสั่งคอยสอนตามพระวินัยพระพุทธเจ้าก็ส่งบัญญัติไว้ว่าพระบวทหมายนี้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพันษาก่อนก่อนที่จะไปปีกวิเวกอยู่ตามลำพังได้นาต้องมีครูอาจารย์อบรมสั่งสอนอยู่ห้าพันษาก่อนเพื่อที่จะได้รู้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง แล้วเมื่อรู้แล้วจะออกไปปีกวเวกไปปฏิบัติตามป่าตามเขาก็สามารถไปได้เพราะจะไม่หลงทางจะไม่ไปสร้างความเสียหายให้กับตนเองและแก่ผู้อื่นต่อไปดังนั้นต้องมีครูอาจารย์เป็นที่พึ่งอันดับหนึ่งก่อนเมื่อมีครูอาจารย์แล้วครูอาจารย์สั่งสอนอะไร เราก็ต้องเชื่อต้องฟังต้องปฏิบัติตามเราก็จะต้องมีอัตตาหิอัตนโนนาโถเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งตามคำสอนของครูบาอาจารย์ไม่ปฏิบัตินอกแนวทางคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ดังในคำบาลีที่มีสวดไว้ว่านัตติเมสารนังอัญยัง วุฒโธเมธ ร, รมโมเมสังโคเมสระนังวาลังที่พึ่งอื่นนี้เราไม่มีเรามีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเราจะเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นคำสั่งคำสอนของผู้อื่นเราจะไม่ฟัง ถ้าเป็นคำสั่งคำสอนที่ขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือหลักสําคัญของผู้ที่จะดําเนินชีวิตให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงที่สูงสุดได้นําไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้จําเป็นจะต้องมีพุทธทางธรรมังสังขังสารนังกัจฉามิ และมีอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถเป็นที่พึ่งเมื่อมีที่พึ่งทั้งสองทางแล้วผลอันเลิ่อนอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับกันก็จะเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเรายังไม่มีครูไม่มีอาจารย์ เราก็ต้องเข้าหาครูหาอาจารย์กันเข้าหาพระพุทธเจ้าก็ดีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็เข้าหาตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าที่จะทำหน้าที่อบรมสั่งสอนแทนพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราได้รับการอบรมสั่งสอนแล้ว เราก็ต้องนำเอาคำสั่งคำสอนนี้มาปฏิบัติด้วยตนเองให้ผู้อื่นปฏิบัติให้เราไม่ได้เราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราถึงจะเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถสิ่งที่อะไรคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้เราทำทาน ให้เรารักษาศีลให้เราภาวนากันนี่เองถ้าเรารักษาทำทานได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงธทำทานไว้รักษาศีลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรักษาศีลไว้และภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงภาวนาเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับผลกัน เพราะเหตุนี้เป็นเหตุอันเดียวกันที่จะทำให้เกิดผลเกิดขึ้นมาเหตุนี้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดก็จะให้ผลเหมือนกันถ้าทำทานรักษาศีลภาวนาในสมัยพุทธกาลแล้วได้มรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวนเวรต า, ายเกิดถ้ามีการทำทานมีการรักษาศีลภาวนาในสมัยนี้ ก็จะมีการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกันจะมีการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันเพราะเหตุเป็นเหตุอันเดียวกันผลก็ต้องเป็นผลอันเดียวกันเหตุนี้ท่านบอกว่าเป็นอาการลิโกคือไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดสภาพไม่เหมือนกับ สินค้าต่างๆเช่นอาหารหรือยานี้เขาจะมีฉลากกำกับไว้ว่าควรบริโภคก่อนวันนั้นวันนี้เพราะถ้าบริโภคหลังจากวันนั้นแล้วมันจะไม่ได้ผลไม่ได้ผลดีหรือไม่ได้ผลเลยหรืออาจจะเกิดผลเสียต่อผู้บริโภคก็ได้เพราะเป็นของที่หมดสภาพอาหารหมดสภาพคืออาหารบูดอาหารเน่า ยาหมดสภาพยาเก่ายาเสียถ้าบริโภคเข้าไปแทนที่จะได้รับประโยชน์ก็จะกลับได้รับโทษตามมาแต่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับอาหารและยาไม่มีฉลากกากับว่าจะต้องควรบริโภคก่อนวันนั้นวันนี้มีแต่ฉลากที่เขียนว่าอาการลิโก ไม่มีวันหมดอายุไม่มีวันเสื่อมอายุสามารถเอามาใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในพศออไหนจะอยู่ในพุทธศักราชที่หนึ่งหรือจะมาอยู่ในพุทธศักราชที่2560น้นี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม ถ้าปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายปฏิบัติกันผลก็จะเกิดเช่นเดียวกันผลที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้รับก็จะเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติในปัจจุบันนี้จะได้รับเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่มีกคำกลับเขียนฉลากว่าให้ยานี้ใช้ได้กับ คนอายุเท่านั้นเท่านี้ใช้ได้แต่เฉพาะเพศหญิงหรือเพศชายอย่างยาบางชนิดนี้เดี๋ยวนี้เขามีการแยกแยะพวกวิตามินรวมนี้บางทีเขาเขียนว่าเหมาะกับวิตามินรวมชนิดนี้เหมาะกับเพศหญิง ว, วิตามินรวมชนิดนี้เหมาะกับเพศชายแล้วก็เหมาะกับเพศชายที่อายุบวกห้าสิบขึ้นไปอะไรทานองนี้ อันนี้เป็นเรื่องของอยูกยาต่างๆที่มีขายอยู่ในตลาดทุกวันนี้แต่เรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีการกําจัดจํากัดเพศจํากัดวัยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นขาา่าวว่าผู้รองเรือนไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตนักบวชสามารถบริโภค ยาของพระพุทธเจ้าได้คือธรรมโอสถได้ทุกคนได้ทุกเวลาแล้วก็จะได้ผลทันทีถ้าปฏิบัติมีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องของการปฏิบัติเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องทําทานเราก็ต้องทําแบบพระพุทธเจ้าได้ทํำ เมื่อเรารักษาเมื่อรู้ว่าเราต้องรักษาศีลเราก็ต้องรักษาแบบที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรักษาเมื่อเรารู้ว่าเราต้องภาวนาเราก็ภาวนาแบบที่พระพุทธเจ้าได้ภาวนาเมื่อเราได้ทำอย่างที่พุทธเจ้าได้ทำแล้วผลที่พระพุทธเจ้าได้รับก็ต้องเป็นผลที่เราได้รับเช่นเดียวกันราะนี้เป็นหลักของเหตุของผล ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาคำที่ว่าบอกว่าปฏิบัตในสมัยนี้แล้วไม่สามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้นี้ไม่ได้เป็นคำพูดที่ถูกต้้งตามหลักความเป็นจริงไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้มาสั่งสอนแล้วไม่มีใครจะสามารถปฏิบัตได้แล้วหลุดพ้นได้แล้วต้องรอให้มีพระสีอานมาสั่งมาสอนก่อนเท่านั้น ถึงจะสามารถปฏิบัติและหลุดพ้นได้อันนี้ไม่เป็นคําสั่งคําสอนหรือคําพูดที่ไม่ตรงหลักความเป็นจริงตามหลักของความเป็นจริงนี้ท่านแสดงไว้ว่าตราบใดถ้ามีผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบอยู่ในโลกนี้พระอาหารหันต์จะไม่จะไม่มีปัสจะไม่มีปาศจากจากโลกนี้จะมีพระอาหารหันต์อยู่ทุกยุคทุกสมัย ถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาก็ยังโลกนี้ยังจะไม่มีจะไม่สูญจากพระอาหารหันต์ไปนี่คือคาพูดที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงดังนั้นพวกเราผู้ที่มีความปรารถนาที่จะได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ได้ไปสู่มากผลนิพพานเราจึงไม่ต้องอวิตกกังวลหรือทอแท้ว่าเราไม่ได้อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าเราไม่มีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นเหมือนกับผู้ที่อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ได้เป็นความจริงความจริงก็คือตอนนี้เรายังมีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ เรายังมีพระอริยสงสาวุกที่จะคอยสั่งคอยสอนเราอยู่สิ่งที่เราต้องมีตอนนี้นอกจากมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ต้องมีอัตตาหิอัตโนนาโถเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ขาดกันเท่าที่สังเกตดูมีการศึกษามีการฟังเทศฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่อง แต่เรื่องของการปฏิบัตินี้ไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้เห็นปฏิบัติกันน้อยมากเพราะยังไม่สามารถทำทานอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทาได้ก็คือสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่แล้วก็ออกไปโบชไปรักษาศีลไปภาวนาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่หายากจึง ไม่ค่อยมีผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนไม่ได้อยู่ที่ตรงว่าตรงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่อยู่ที่ตรงที่ไม่มีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันนั่นเองมีแต่ผู้ที่ศึกษาผู้ที่มาศึกษานี้มีจำนวนมากแต่ผู้ที่จะนําเอาไปปฏิบัติแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัตินี้ ยังมีจำนวนน้อยมากจึงไม่มีผู้ที่ได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานกันไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนอันนี้พูดไม่ได้ว่าใครพูดเพื่อให้เห็นข้อบกพร่องหรือให้เห็นจุดอ่อนของของพวกเราผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่ตัวเรานี้เอง อยู่ที่เราไม่มีอัตตาหิอัตโนนาเถกันเรายังไม่ยอมทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่นั่นเองเรายังเป็นเหมือนพวกพวกที่ยังรักพี่เสียดายน้องอยู่ยังรักความสุขทางโลกอยู่ยังเสียดายความสุขทางโลกอยู่แต่ก็ยังมีความปรารถนาที่จะได้ความสุข ของมรรคผลนิพพานอยูอ่ก็เลยแบ่งรับแบ่งสู้กันวันหนึ่งก็ไปทางโลกอีกวันหนึ่งก็ไปทางธรรมมันก็เหมือนกับเหยียบเรือสองแคมเดี๋ยวเกิดเหยื่อมันยากไปคนละทางก็เดี๋ยวก็จะขาฉีกถ้าไม่เลือกทางใดทางหนึ่งก็จะไม่สามารถที่จะไปในทางทิศทางนั้นได้ พอทางโลกกับทางธรรมนี้มันจะต้องแยกกันไปคนละทางนั่นเองตอนเริ่มต้นนี้มันยังอยู่ทางเดียวกันอยู่ตอนเริ่มต้นตอนศึกษานี้ยังสามารถที่จะเดินชีวิตไปในทางโลกได้อยู่แต่พอได้ศึกษาแล้วแล้วรู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรแล้วทีนี้ทางมันจะเริ่มแยกออกจากกันแล้วถ้าอยากจะไปทางธรรมก็ต้องสละทางโลกไปถ้า ไม่สละทางโลกก็จะไปทางธรรมไม่ได้อันนี้เป็นพูดถึงความจริงเหมือนกับเวลาที่เรามาถึงสี่แยกไฟแดงเนี่ยเราจะไปทิศทางไหนเราก็ต้องเลือกแล้วจะไปทิศทางทั้งสามทิศทางพร้อมๆกันไม่ได้จะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรีอยวตรงไปต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง ตอนเริ่มต้นเรายังอยู่ในถนนเส้นเดียวกันอยู่แต่พอมาถึงสี่แยกไฟแดงแล้วทีนี้ก็ต้องตัดสินใจเลือกแล้วว่าจะไปทิศทางไหนต้องการไปมรรคผลนิพพานก็ต้องไปสู่การปฏิบัติทานศีลภาวนาถ้าต้องการราบยศสรรเสริญสุขก็ไปสู่การทำงานทำมาหากินหาเงินหาทอง หาทรัพย์สมบัติต่างๆแล้วจะมาซื้อสิ่งต่างๆที่อยากจะได้มาเสพกันนี่คือเรื่องของการปฏิบัติเมื่อเราศึกษาแล้วเรารู้แล้วว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่ความสุขความจเจริญที่แท้จริงที่สูงสุดได้และหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นั้นเราจำเป็นจะต้อง ทำทานรักษาศีลและภาวนาแล้วก็เป็นการทำทานแบบเต็มร้อยก็คือเราต้องมีอะไรทรัพสมบัติอะไรก็สละไปให้หมดเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสระละราชสมบัติตอนที่เสด็จออกจากวังไปนี้ไม่มีสมบัติติดตัวไปเลยมีนายชั้นนะาพามาไป ให้ทรงนั่งไปพอพ้นเขตก็ให้ในายชนะเอาม้ากลับเขาวังไปแล้วพระอง์ก็สทรงดำเนินด้วยเท้าไปไปบวชไปอยู่แบบนักบวชแล้วก็ไปภาวนาไปกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในพระไถยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปพอพระองค์ได้รักษาศีลบอยสุดในภาวนาจนสามารถกำจัด กิลตัณหาที่มีอยู่ในพระทัยของพระ อ, องค์ได้หมดไปพระ อ, องค์ก็เลยได้ตัดสั้เป็นพระอรหันตะสั ม, มาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้ครบกับพระนิพพานที่เป็นความสูงสุดของความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ในจิตใจความสุขที่สูงสุดในจิตใจก็คือความสุขของพระนิพพานการหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิด เป็นผลที่จะได้รับถ้าได้บําเพ็ญจิตตะภาวนาอย่างเต็มที่แล้วพอได้หลุดพ้นแล้วพระองค์ก็ทรงสละเวลาที่ยังมีเหลืออยู่ของชีวิตอีก45ปีมาเผยแผ่สั่งสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเพื่อให้ได้ไปสู่ความสุขที่สูงสุดนี้ ทรงใช้เวลาสั่งสอนอยู่ที่45ปีด้วยกันและทำหน้าที่นี้ทุกวันยกเว้นเวลาที่ป่วยเท่านั้นเรียกว่าพุทธกิจ5าภารกิจของพระพุทธเจ้าในแต่ละวันนี้มีอยู่5้าประการด้วยกันคือตอนบ่ายก็สั่งสอนอบรมญาติโยมตอนค่ำก็สั่งสอนอบรมพระภิกษุสา ม, มเณร ตอนเดกก็อบรมสั่งสอนเทวดาตอนเช้าตรู่ก่อนจะทรงเสด็จออกบินทบาทก็ทรงอย่างทรงเล็งยานดูว่าจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นนี่คือหน้าที่หลักของพระพุทธเจ้าสี่ประการคือการอบรมสั่งสอนพระธรรมคำสอนแล้วข้อที่ห้าก็ทรงออกโปรดสัตบินทบาทบินทบาทโปรดสัต นี่เป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงยึดเป็นกิจวัตรประจาวันของพ่ อ, อทาประโยชน์เพื่อสัตว์โลกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับตนเองเลยเพราะประโยชน์ของตนนี้ได้ทําได้อย่างสูงสุดแล้วได้ถึงพระนิพพานแล้วจะไม่สามารถไปไกลกว่านี้ได้แล้วพระนิพพานนี้เป็นประโยชน์สูงสุดเป็นความสุขที่สูงสุดแล้ว จะปฏิบัติเอกมากน้อยเพียงไรก็ไปได้แค่พระนิพานนี้จะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นมากน้อยเพียงไรก็ได้แค่พระนิพานนี้เหมือนกันจะทําหรือไม่ทําก็ไม่ไม่ได้ไม่เสียพระพุทธเจ้าบางลูกท่านก็เลยไม่ทําไม่สั่งไม่สอนใครตัดสริรูแล้วท่านถึงนิพานแล้วท่านก็พอใจอยู่กับอยู่กับพานิพานไปตามลําพัง ไม่เอามาสั่งสอนไม่เอามาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีสองแบบพระประเจกะพุทธเจ้ากับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นพระประเจกะพุทธเจ้าก็ไม่สั่งสอนใครถ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะประกาศพระธรรมคำสอน พประกาศพระธรรมคําสอนก็จะมีสาระข้อที่สองปรากฏขึ้นมาก็คือธรรมังสานังกัจฉามิแล้วพอมีธรรมังสานังกัจฉามิมีคําสอนก็จะมีผู้ที่มีจิตจัดทาน้อมเอาไปปฏิบัติและบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็เป็นสาระที่สามขึ้นมาก็คือพระอริยสงสาวกขึ้นมาสังขังสานังกัจฉามิขึ้นมา ถ้ามีพุทธัทงธํามังสังขังสานังกัจฉามิแล้วก็จะมีพุทธศาสนาที่จะอยู่เป็นที่พึ่งเป็นล่มโพล่มใสให้แก่สัตว์โลกไปได้เป็นเวลาอันยาวนานอย่างอย่างพุทธศาสนาของพวกเหล่านี้ก็มีอายุมาถึงสอง0ันห้า้อยหกสิกว่าปีแล้วแล้วก็จะมีต่อไปเรื่อยๆตราบใด ที่ยังมีการเผยแผ่พ่อทำคำสอนมีการศึกษามีการปฏิบัติและมีการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็ยังจะมีอยู่คู่กับโลกนี้ไปอยู่เรื่อยๆพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีโบสถ์มีเจดีย์มีกุฏิมีถาวรลวัตถุต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นองค์ประกอบ ที่เป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาเป็นเพียงผักชีโรยหน้าเหมือนกับอาหารนอาหารจะมีผักชีโรยหน้าหรือไม่ไม่สําคัญก็ให้มีอาหารมีผักมีเนื้อะเป็นใช้ได้จะมีผักชีโรยให้มันดูสวยงามก็ได้ไม่มีก็ได้ฉันใดพระพุทธศาสนานี้ถ้าไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีไม่มีกุฏิไม่มีวิหารไม่มีศาลา ไม่มีทาวรวัตถุต่างๆาศาสนาก็ยังไม่สูญหายไปาศาสนาจะสูญหายก็ต่อเมื่อไม่มีการศึกษาไม่มีการเผยแผพร่พระธรรมคำสอนไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมอันนี้แหละจะทำให้าศาสนานี้สูญหายไปหมดไปแต่ถ้าตราบใดยังมีการเผยแพร่คำสอนอยู่ มีการศึกษาพ่อธรรมคาสอนอยู่มีการนําเอาไปปฏิบัติและมีการบรรลุธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติอยู่ตามนั้นก็ยังจะมีการยังมีพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับโลกนี้ไปเรื่อยๆพะในสมัยพุทธกาลก็ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีกุฏิไม่มีวิหารไม่มีศาลาไม่มีทาวลวัตถุต่างๆ แต่มีการเผยแผ่ธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้เผยแผ่ธรรมมีพระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้บรรลุธรรมนี่แหละคือตัวของศาสนาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทาวราวัตุต่างๆดังนั้นพวกเราที่รักพระพุทธศาสนา มีความปรารถนาที่จะให้พระพุทธศาสนานี้อยู่คู่กับโลกนี้ไปนานๆก็ขอให้เรามาที่ตัวเนื้อตัวหนังของศาสนาอย่าไปที่ส่วนประกอบของศาสนาอย่าไปพุ่งเป้าอยู่ที่การสร้างถาวราวัตถุเพียงอย่างเดียวการสร้างก็ดีไม่ปฏิเสธเพราะก็มีความจำเป็นเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีก็อยู่ได้นักปฏิบัตินี้ ไม่มีถาวรลวัตถุก็อยู่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยิ่งดีเสอีกยิ่งบรรลุได้ง่ายกว่าการมีถาวรลวัตถุเสอีกนี่ยสมัยพระพุทธการนี้ไม่มีถาวรลวัตถุแต่มีผ้าอรหันนี่เต็มไปหมดเดินไปทางไหนก็ชนกับผ้าอรหันสมัยนี้มีถาวรลวัตถุมากมายกายกองแต่หาผ้าอรหันแต่ละองค์นี่หายาหาได้ยากแสนยากเพราะว่า ฐาบลวัตถุนี้ไม่ได้เป็นตัววัดความเจริญของศาสนาตัวที่วัดความเจริญของศาสนาก็คือจำนวนของผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องมีการปฏิบัติมีการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะศึกษาได้ก็ต้องมีผู้ที่เผยแผ่สั่งสอนต้องมีผู้ที่รู้ธรรม คือมีพระ อ, อริยสงสาวบคอยเผยแผ่สั่งสอนดังนั้นถ้าเราอยากจะสนับสนุนก็ขอให้เราสนับสนุนการเผยแผ่การศึกษาการปฏิบัติของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลผนิพพานนี่คือเรื่องของของสาลณะาที่พึ่งสองส่วนด้วยกัน คือที่พึ่งที่เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้นำทางและที่พึ่งที่เป็นผู้ที่ศึกษาผู้ปฏิบัติตามจะต้องมีทั้งสองส่วนนี้จึงจะทำให้เกิดผลที่เลิศที่ประเสริฐขึ้นมาได้ก็คือได้มรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ที่การศึกษาและอยู่ที่การปฏิบัติตาม ทำทานตอนต้นอาจจะยังทำไม่ได้เต็มร้อยก็ทำไปก่อนอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเอามาแรกกับมรรคผลนิพพานดีกว่าหัดทำทานบ่อยๆต่อไปถึงเวลาก็พร้อมที่จะสละมันได้หมดเลยไม่เสียดายเลยเพราะการเสียสละทรัพย์สมบัติเพื่อแลกกับมรรคผลนิพพานนี้มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีก เหมือนกับการลงทุนซื้อลอตเตอรี่ร้อยบาทแล้วถูกทีงต้องหกร้อยหกล้านบาทอย่างนี้มันคุ้มคนถึงชอบซื้อลอตเตอรี่กันถึงแม้ว่าจะไม่ถูกก็อย่างน้อยได้มีความฝันว่าถูกก็ยังดียังมีความสุขยังมีความหวังในวันที่ลอตเตอรี่ออกคนถึงยินดีที่จะลงทุนกันผู้ที่ต้องการมรดกนิพพานก็ต้องยินดีที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอ เพราะเมื่อสละแล้วก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นั่นเอง <Okay. S 1> เมื่อเราพร้อมที่จะปฏิบัติแล้วเรื่องการสละทรัพย์สมบัตินี้มันมาของมันเองมันจะไม่เสียดายเลยถ้าเราปฏิบัติได้แล้วนี่เราอยากจะปฏิบัติให้มันเต็มที่นี่เรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี่เราจะไม่ต้องการมันเลยเพราะมันจะกลายเป็นอุปสรรคมันจะเป็นเหมือนสมอเรือ <Okay. S 1> เวลาที่เราจะออกเรือนี่ถ้าเรา ไม่ถอนสมอเลือเรือมันจะวิ่งไปไม่ได้จะไหลไปไม่ได้มันต้องถอนสมอเลือผู้ที่พร้อมที่จะปฏิบัติเต็มรูปแบบตลอดเวลา ผ, ผู้ที่พร้อมที่จะออกบวชนี่เขาจะไม่เสียดายเงินทองเลยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ยกให้กับคนอื่นไปได้อย่างง่ายดายอย่างศิษย์ของหลวงปู่มั่นรูปหนึ่งคือพระอาจารย์พรมนี่ท่านก็เป็นเศรษฐี ท่านมีภรรยาแต่ไม่มีลูกแล้วท่านกับภรรยาก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนถึงขีดที่พร้อมที่จะปฏิบัติอย่างเต็มที่พร้อมที่จะออกบวชเนี่ยท่านก็เลยประกาศบอกชาวบ้านให้มารับทรัพย์สมบัติเข้าของที่ท่านมีอยู่ใครไม่มีวัวมีควายก็มาเอาไปใครไม่มีที่นาก็มาเอาไปใครไม่มีบ้านก็มาเอาไป ท่านไม่ต้องการแล้วสมบัติเหล่านี้ท่านต้องการไปบวชน่ท่านกับภรรยาก็ไปบวชดูวท่านก็ไปบวชพระไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอัติของท่านได้กลายเป็นพระธาตุแล้วส่วนภรรยาก็ไปบวชชีนี่แหละคือการทํแบบทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทําแบบเต็มร้อยต้องทาแบบนี้ ทำทานก็ทำเต็มร้อยรักษาศีลก็รักษาศีลเต็มร้อยคือรักษาทุกเวลานาทีรักษาศีลของนักบวชแล้วก็เวลาก็ภาวนาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้จะคอยเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาสลับกันไปอยู่ตลอดเวลาถ้าปฏิบัติแบบนี้ได้แล้วมรรคผลนิพพานมันก็จะต้องมาอย่างแน่นอน เพระมรรคผลนิพานมันไม่ได้มาด้วยวิธีอื่นนั่นเองมันมาด้วยวิธีปฏิบัติแบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เท่านั้นจึงขอให้พวกเราพยายามสร้างสาระทั้งสองส่วนนี้ให้เกิดขึ้นมาให้ได้เถิดสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้เกิดมีความรู้เกิดศรัทธาที่จะศึกที่จะปฏิบัติตามเมื่อเราได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว ก็จะเกิดศรัทธาจะเกิดฉันทะวิริยะที่จะปฏิบัติที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะออกบวชเพื่อจะได้บําเพญญ็ญอย่างเต็มที่บําเพญญ็ญอย่างตลอดเวลาแล้วก็จะได้รับผลคือมรรคผลนิพานตามมาต่อไปถ้าเรามีที่พึ่งทั้งสองส่วนนี้แล้วมีที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่สั่งสอน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 ราโสยะถาสภีติโยวิวาชจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตะวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอธิวาธนศีลิตศะนิจจังวุฒาปัจจายโนจตารโธรรมาวาทานติอายุวันโอ สุขังภาลางังลำดับต่อไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามไปได้จนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่พอเลิกประชุมแล้วขอความกรุณาอย่าถามเพราะจะไม่ตอบหมดเวลา เวลานี้เป็นเวลาถามตอบถามได้เลยใครอยากจะถามจะเขียนคำถามเข้ามาให้เขาอ่านก็ได้หรือจะขึ้นมาถามพูดทางผ่านทางไมโครโฟนเลยก็ได้ถ้ายังไม่มีใครเดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่ติดตามถ่ายทอดสดอยู่ถามกันวันนี้ไม่ทราบเข้ามากันเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กประมาณ3า0ร้าสครับแล้วก็ สามวันสุดครับแล้วก็ยูทูบประมาณห้าสิบกว่าครับออเออก็จะลดลงหน่อยช่วงเสาร์อาทิตย์ถ้าวันธรรมดาก็จะมากหน่อยเพราะาอาจจะไม่ได้อยู่บ้านกันไปไปทำนั่นทํานี่ไปทั่วละแต่ต่างจังหวัดไม่สะดวกไม่เหมือนวันธรรมดาทํางานที่บ้านหรือทํางานที่สํงงานักงานก็สามารถที่จะมีะสัญญาณถ่ายทอดสด สะดวกก็มีคำถามก็อ่านได้เลยนะได้คำถามจากทาง Facebook นะครับจากคุณอัมภานะครับในกรณีที่ลูกยังไม่มีครูบาอาจารย์ด้วยความที่อยู่ต่างแดนลูกขอกราบถามพระอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรให้มีกำลังใจรักษาความดีได้ตลอดคะที่พึ่งที่เป็นที่สูงสุดเกินกว่าพระรัตนไตยนั้นไม่มี แต่จิตใจของลูกมักไหลลงที่ต่ำไม่เสมอต้นเสมอปลายกับการรักษาความดีกับขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ก็เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์มีนในหลายรูปแบบนะ่งพระพุทธเจ้านี่เราก็สามารถเข้าถึงได้ในเว็บเนี่ยเข้าไปใน Google ต้องการที่จะฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบทไหนเราก็ใส่เข้าไป ปฏิปทานสูตรก็ใส่เข้าไปาตามมจักกับประวัตนสูตรหรือธรรมะอะไรใส่เข้าไปได้าสามารถมีครูบ า, าจารย์ได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวของท่านอยู่กับเร า, เ, าเพราะตัวที่เป็นอาจารย์ที่แท้จริงก็คือตัวคําสอนนี่แหละพระพุทธเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตาผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรม เ, เห็นคําสอน ยันเราเข้าหาคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาหรือถ้าอยากจะเข้าหาคําสอนของพระ อ, อริยสงฆ์สาวกก็เข้าได้เดี๋ยวนี้มีเทศของครูบาอาจารย์อยู่ใน youtube เต็มไปหมดอยากจะฟังเทศของครูบาอาจารย์รูปไหนก็ใส่ชื่อของท่านเข้าไปแล้วก็จะมีเทศของท่านปรากฏขึ้นมาให้เราฟังได้ตลอดเวลาคําถามจากคุณอ้อนะครับ ลูกนั่งภาวนาพุทโธได้สักระยะหนึ่งแล้วพุทโธก็หายมีแต่รู้อยู่เฉยๆลูกก็จะกลับมาภาวนาพุทโธต่อแต่ภาวนายังไงก็ไม่ออกเหมือนพุทโธหายลูกเลยดูลมหายใจเข้าออกแต่ก็ได้ยินเสียงภายนอกลูกก็รู้สึกเฉยๆลูกปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือเปล่าคะแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อก็จ้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ือต้องมีอะไรคอยกำกับใจจะเป็นพุโทโธก็ได้จะเป็นลมหายใจก็ได้ทำไปอย่าหยุดไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจถ้าใจยังไม่ดิ่งเข้าสู่ความสงบก็ต้องทำต่อไปแสดงว่ายัางไปไม่ถึงจุดจุดหมายปลายทางถ้าถึงจุดหมายปลายทางนี้มันจะวูบลงไปนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้แล้วก็เกิดความสุขอันมหัศจรรย์ใจขึ้นมา ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ควรจะทำไปเรื่อยๆถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆพุดโธก็พุดโทไปเรื่อยๆอย่าคิดปรุงแต่งอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้เพราะจะทำให้ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม น, นะครับมีความตั้งใจอยากสละทางโลกออกบวชถือศีลภาวนากำจัดกิเลสตัณหาค่ะ อยากมีครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงไม่รู้จะไปไหนขอความเมตตาออกบวชจากพระอาจารย์ที่ไหนได้คะจริตตนเองชอบวัดป่ากราบขอคําชี้แนะแนวทางพ้นทุกข์จากพระอาจารย์ด้วยคะ่ะก็ต้องไปศึกษาตามวัดป่าต่างๆจะไปเริ่มที่วัดป่าบ้านตาอีก่อนก็ได้วัดป่าบ้านตาแล้วก็ถามคนที่เข้าไปปฏิบัติกันว่าวัดป่า ที่ที่อื่นมีวัดไหนบ้างก็มีเยอะแยะถ้าเราไปแสวงหาของนี้มันก็ต้องหาดูหาผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ใส่ชื่อของครูบาอาจารย์ที่เราอยากจะไปศึกษาด้วยเข้าไปอยากจะรู้วัดไหนก็ค้นคว้าไปเวลาเราไปเที่ยวเรายังค้นคว้าหาโรงแรมได้หาร้านอาหารได้หาที่ท่องเที่ยวได้พอเวลาจะไปหามรรคผลที่ผ่านกับหาเองไม่ได้ มันมันมีอยู่วัดวาอารามต่างๆสำนักปฏิบัติต่างๆมีอยู่เยอะแยะไปหมดลองใส่คําถามเข้าไปเลยสำนักปฏิบัติของชีอยู่ตรงไหนบ้างใส่เข้าไปแล้วก็ลองศึกษาดูแล้วก็ไปเลือกเอาชอบอันไหนก็ลองว่าไปดูมันต้องใช้เวลาศึกษาเราจะมาสอนทุกอย่างเราก็คงไม่ไหว เราก็ไม่ค่อยรู้พอตั้งแต่เราบวชเราก็ไม่ค่อยได้ไปวัดไหนเรได้วัดที่เราพอใจเราก็อยู่วัดนั่นไปเลยไม่ได้ไปหาวัดอื่นจากคุณตุ้มนะครับนั่งสมาธิจนเจ็บขาแต่โยมยังนั่งต่อไปก็ยังไม่หายเจ็บจนกระทั่งลืมตาก็ยังไม่หายแบบนี้ต้องแสดงว่าโยมต้องนั่งต่อไปเรื่อยๆจนไม่เจ็บใช่หรือเปล่าคะไม่หรอกคือเราไม่ได้นั่งเพื่อให้มันหายเจ็บ เรนั่งเพื่อให้ใจเราไม่เจ็บกับมันเราได้ไหมปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บของร่างกายปัญหาของเราอยู่ที่เราไปเจ็บกับความเจ็บของร่างกายเราต้องการนั่งเพื่อให้ใจเราไม่เจ็บกับความเจ็บของร่างกายคือปล่อยวางความเจ็บมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายหรือไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคือเราอยู่กับมันได้อยู่กับความเจ็บได้นั่นคือเป้าหมายของการภาวนา จากคุณชนะตนนะครับการละสังโยสามาเพื่อโสดาผลถ้าทำได้ตัวแรกที่ละได้จำเป็นต้องเป็นสักยะทิฏฐิเสมอหรือเปล่าคะหรือสำหรับวิจิกิจฉาและศีละพป ะ, ะปามา마ศสามารถละได้ก่อนหรือไม่เพราะปกติโยมนับถือพระรันาตนไตยอย่างเดียวและเชื่อมั่นว่าท่านมีอยู่จริงทาตามคาสอนท่านพ้นทุกแน่นอน แต่สักกยะทิฐิไม่แน่เพราะต้องเจอข้อสอบก่อนค่ะก็ต้องลองดูเสีศมนิสามตัวจะลองทําข้อไหนก่อนก็ได้เมือนเวลาเราทําข้อสอบเราเจอข้อสอบไหนข้อไหนเราทําได้เราก็เลือกทําข้อนั้นก่อนข้อไหนมันยากเราก็ข้ามไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาจะหมดเวลาถ้ามัวไปทําข้อที่ยากกว่าจะได้คําตอบอาจจะมีเวลาเหลือน้อยไปทําข้อที่ง่าย ก็เลยไปเลือกทําข้อที่เราทําได้ก่อนแต่มันก็ต้องละทั้งสามตัวนั่นแหละจละตัวไหนก็แล้วแต่จากทาง YouTube นะครับจากคุณบ b บนะครับธรรมธรรมชาติมรรคผลอนัตตามีผู้ต้องคอยปฏิบัติจเจริญเอาไว้ได้หรือคลายออกจากตัวเองและทุกสิ่งครับ อันนี้คำถามที่ค่อนข้างจะยากต่อความเข้าใจก็ขอผ่านไปก่อนนี่ว่าไม่ทราบว่าถามอะไรครับอีกข้อนะครับและเหตุใดพระพุทธองค์จึงวางมักไว้ท้ายสุดในอริยสัจสี่เพื่อกันกองวิบากที่บังสัจธรรมหรือเปล่าครับอ๋ออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านจะวางไว้ตรงไหนก็ไม่สำคัญมันก็ต้องมันก็ต้องรู้ทั้งสีข้อนั่นแหละ อันไหนมาก่อนมาหลังก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจากคุณด็เตอร์พิสิทธ์นะครับลักษณะความรู้สึกของการเข้าผวังเป็นอย่างไรครับแยกอย่างไรจากการหลับ อ, อ๋อก็เหมือนเวลาเรานั่งคุยกันเนี่ยแล้วเวลาไฟดับนี่เรารู้ป่ะรู้ใช่ั้ยเวลาเรานั่งคุยกันแล้วนั่งดูทีวีแล้วอยู่ดีๆไฟฟ้าดับเนี่ยเรายังรู้ว่าเรายังไม่ได้หลับ ไปกับไฟฟ้าใช่ไหมแต่ถ้าเราหลับแล้วเราจะรู้ไหมเวลาไฟดับไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละมันแยกกันแบบนั้นนะถ้าจิตเราสงบแล้วเราไม่รู้เราก็แสดงว่าเราหลับถ้าจิตสงบแล้วเรายังรู้อยู่เหมือนกับตอนที่เรายังไม่สงบก็แสดงว่าเราเรารู้มันก็รู้อย่างนี้แหละรู้จะให้ว่าอย่างไงจักคุณผลนะครับการที่รู้สึกว่าคนที่ไปอีกภพภูมิแล้ว ยังอยู่ใกล้ความรู้สึกเช่นนี้สรุปได้ไหมครับว่ายังไม่สุขติอ๋อมันเป็นความรู้สึกของเรามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาเขาจะไปไหนเราจะไปรู้ได้ไงความรู้สึกของเรากับความจริงของเขามันคนละเรื่องกันเหมือนความรู้สึกว่าเราร่ำรวยแต่ไม่รวยสัทีองี้มันก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองคุณนาลานะครับ ทำไมคนชอบบูชาพระาธาตุของหลวงปู่หลวงตาครับเพราะเหตุใดเพราะว่าคิดว่าพระธาตุนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่มีคนมีประโยชน์แต่อาจจะเข้าใจผิดว่าความศักดิ์สิทธิ์ความมีคนมีประโยชน์นั้นเป็นอย่างไรก็คิดว่าอาจจะบูชาแล้วจะทําให้ชีวิตดีขึ้นร่ำรวยขึ้นแคล้วคลาดปลอดภัย ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงคุณของคุณค่าของพระธาตุนี้อยู่ที่การเป็นผู้เป็นสิ่งที่ยืนยันให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงพระอาหารหันตสาวกนี้มีจริงผู้ที่ไปถึงนิพพานนี้กระดูกจะกลายเป็นพระธาตุเป็นความรู้ที่จะยืนยันที่จะบอกให้พวกเรามีความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามคาสอนว่า ปฏิบัติไปแล้วจะได้พระนิพพานอย่างแน่นอนเท่านั้นเองแต่คนอาจจะไม่เข้าถึงความคุณความเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจแบบเด็กๆเด็กๆ ก, ก, ก็เข้าใจแบบหนึ่งผู้ชายผู้ผู้ใหญ่ก็เข้าใจอีกแบบหนึ่งเด็กๆ ก, ก็คิดว่ามีพระธาตุก็เหมือนมีทาวะมีมงคลละวัตถุวัตถุมงคล ไหว้กราบไหว้บูชาแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้อ ง, องคุ้มครองรักษาให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญแค่วแกร่ปลอดภัยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือการมีพระธ่านนี้เป็นการยืนยันว่าพระพุทธธรรมพระสงค์นี้มีจริงจากคุณโปรเจกต์อีนะครับนั่งสมาธิแล้วหยุดความคิดได้แล้วทาอย่างไรต่อครับ ก็หยุดให้มันนานๆอยากคิดนั่งไปเรื่อยๆหยุดบ่อยๆนั่งบ่อยๆเวลาจะไปเที่ยวก็มานั่งสมาธิแทนเวลาที่จะไปใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็มานั่งสมาธิแทนทําไปอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้เงินเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินเราก็ไม่ต้องหาเงินเราก็อยู่เฉยๆได้เราก็ไปบวชได้จากคุณปาริชาตนะครับ ถ้าเวลานั่งสมาธิแล้วเวลาทุกอย่างมันเงียบแล้วเรารู้สึกกลัวจนจับใจทุกครั้งดูควรทําอย่างไรให้ไม่รู้สึกกลัวหรือตกใจคะเวลากลัวก็ให้พุทโธไปหรือสวดบทพ่อพุทธคุณไปเอิติปโสก็กวาอัหลังสัมมาสามพุทโธไปสวดพุทธคุณล้ายังไม่หายก็สวดธรรมคุณต่อสวากขาโตปะกวาตาธรรม สวดทำโมยยังไม่หายก็สวดสุปฏิปันโนไปสวดไปถ้ายังไม่หายก็กลับมาสวด พ, พุทธคุณใหม่ธรรมคุณใหม่สังฆคุณใหม่สวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานพอใจสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปจะคุณปลายฟ้านะครับถ้าพ่อโยมบวชเป็นพระแล้วโยมเตือนพระพ่อในเรื่องที่โยมคิดว่า ท่านประพฤติไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเจตนาของโยมคือกลัวพระพ่อเป็นบาปไม่ได้คิดด่าว่าร้ายท่านแบบนี้โยมในฐานะลูกโยมจะบาปใหม่เจ้าคะเพราะพระพ่อบอกว่าการที่ลูกคิดตําหนิท่านลูกจะเป็นบาปถ้าพ่อก็ไม่ได้มาถามเราขอร้องเราเราก็ไม่ควรที่จะไปสั่งไปสอนท่านท่านจะทําบาปก็เรื่องของท่าน ถ้าถ้าท่านจะทำบาปเราไปบอกท่านท่านก็ไม่ฟังอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูก่อนเวลาเราจะบอกใครดูว่าเขาพร้อมที่จะฟังเราหรือไม่ถ้าเขาไม่พร้อมที่จะฟังก็จะไปบอกให้เสียเวลาพูดไปแล้วก็แทนที่จะเกิดคุณอาจจะเกิดโทษเพราะคนที่ฟังก็อาจจะไม่ยินดีที่จะฟังเขาก็จะตอบกลับว่าเนี่ยทำแล้วเป็นบาปขึ้นมา แสดงว่าเขาไม่อยากจะฟังคำพูดของเรา mm hmm. เมื่อเขาไม่ยินดีก็อย่าไปพูดให้เขาฟังเท่านั้นเองต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมของเขาจากทางยูทูบนะครับจากคุณต้นทุนนะครับเวลานั่งสมาธิเรานั่งพับเพียบก็ได้ใช่ไหมครับได้นั่งในท่าไหนก็ได้แต่ถ้าอยากจะนั่งยาวๆนานๆต้องนั่งท่าขัดสมาธิจะนั่งเป็น นั่งได้ดีที่สุดนั่งได้สบายที่สุดเนี่ยแต่ตอนเริ่มต้นนี้เรานั่งไม่นานจะนั่งเก้าอี้ก็ไดนน้นั่งบนปลายเตียงก็ได้ขอบเตียงก็ได้นั่งพับเพียกก็ได้แล้วแต่จะจะเหมาะแต่ถ้านั่งได้นานๆแล้วก็จะรู้ว่านั่งขัดสมาธินี้จะดีกว่าจากคุณปะวะปะวาริสานะครับการสวดมนต์พอสวดไปสักพัก แล้วพอมีคนมาเรียกแล้วเราหยุดสวดกลางคันเราจะบาปใหม่เจ้าคะไม่บาปก็เพียงแต่ไม่ได้บุญหยุดทาบุญเวลาสวดนี่ก็เหมือนกับกำลังทาบุญพอเราหยุดสวดเราก็หยุดทาบุญเท่านั้นเองไม่ ม, ม, ไมีไม่บาปไม่บาปอย่างใดจากคุณชนะตนนะครับโยมเข้าใจว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพบครูบาอาจารย์แล้วศรัทธาปฏิบัติตาม ในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่เป็นโอกาสหนึ่งในอินฟินิตี้เพราะโอกาสน้อยมากมา ก, มา ก, มากจริงๆที่จะเจอทุกอย่างเหมาะเจาะพอดีกันเลยมีกำลังใจจะปฏิบัติทุกวันเท่าที่ทำได้เพราะตายไปอาจไม่เจออีกแล้วยมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมถูกแล้วเวลาที่จะได้มาเจอพระพุทธศาสนาแต่ละครั้งนี้เป็นเวลาอันยาวนานมากเพราะว เวลาที่จะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาต่อโลกนี้มันก็เป็นเวลานานแล้วจังหวะที่จะได้มาเจอนี่ก็อาจจะไม่ไม่ได้เจอทุกครั้งไปเสียด้วยซ้ำไปทั้งที่เวลามีพระพุทธศาสนามาปรากฏในโลกเราก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์พอเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีพระพุทธศาสนามันก็อาจจะ มันยากยิ่งกว่าการถูกรอตลีอตเตอรี่ ร, รางวัลที่หนึ่งใชพูดง่ายๆการถูกรอตรีรางวัลที่หนึ่งนี่มันก็ยากพอสมควรแต่การที่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาได้เป็นมนุษย์พร้อมกันนี่มันยากกว่าหลายล้านเท่าเลยกันอย่างนั้นโอกาสพอเราได้แล้วเราไม่ควรที่จะปล่อยให้ใแต่นาทีผ่านไปโดยไม่เอามาใช้ถักดวงผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนา ักคุณดานนะครับบทสวดอนาปานาสติปาทะวักสุดท้ายเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจําสลัดคืนนี้หมายถึงอะไรครับอันนี้เราก็ไม่เคยได้ศึกษานะเราก็ไม่สามารถตอบได้จากคุณอุบลรักษ์นะครับเวลาเราทําบุญตักบาทแล้วอุทิศให้บิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้ว ท่านจะได้รับผลบุญใหม่คะก็อยู่ว่าท่านอยู่ในฐานะไหนถ้าอยู่ในฐานะขอทานก็ท่านก็จะรับได้แต่ถ้าท่านเป็นเทวดาท่านก็เป็นเศรษฐีท่านก็ไม่ต้องมามารับส่วนบุญที่เราอุทิศไปเพราะบุญที่เราอุทิศนี่เป็นเหมือนกับเงินที่เราให้ขอทานเศรษฐีก็ไม่ต้องมารอรับเงินขอทานแต่ถ้าเป็นขอทานเขาก็ต้องมารับเพราะเขาไม่มีเงินติดตัวไป คำถามฝากถามนะครับมีวิธีการทำอย่างไรที่จะทำให้สมาธิสติปัญญาแข็งแรงขึ้นครับก็ต้องจเจริญสติเป็นหลักก่อนสติเป็นเหตุที่ทำให้เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะมีกาลังที่จะใช้สจิตไปพิจารณาทางปัญญาและดับกิเลได้ดังนั้นต้องมีเวลาจเจริญสติ ถ้าไปทางานทำการไปเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะทาให้ยากต่อการเจริญสติเป็นผู้ที่ต้องการเจริญสติควรจะไปตึกด้ั่วโมงไปอยู่คนเดียวเราจะได้ดึงจิตเด้ง ใ, ใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะจะไม่มีเรื่องราวต่างๆไม่มีบคุคคลต่างๆมาคอยดึงไปแล้วเมื่อเราเจริญสติได้ เราก็จะนั่งสมาธิให้ใจสงบได้พอใจสงบใจจะมีพลังที่จะต่อสู้กับที่เละได้ถ้าเราศึกษาจเจริญปัญญาเราก็จะสามารถใช้ปัญญาดับกิีเละได้ข้อที่สองผู้ปฏิบัติจะทราบได้อย่างไรว่าสมาธิสติปัญญาแข็งแรงแล้วครับมีอะไรบอก ก็จิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตจะไม่ลอยไปลอยมาจะอยู่กับปัจจุบันเวลาจะให้พุทโธก็พุทโธไปได้เรื่อยๆเวลาให้ดูลมหายใจก็จะอยู่กับลมหายใจไปได้เรื่อยๆไม่ไลากไปตรงนั้นไม่ลากมาตรงนี้สองจุดสองเราสามารถนําสมาธิสติปัญญาที่แข็งแรงมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างไรครับก็มาใช้ทำงานก็ได้ทํางานเราก็จะทำอย่างมีประสิทธิภาพใจเราจะไม่วอล์กแรกจะไม่ไปยิโรเมให้ทำงานอะไรก็จะทําอย่างขมักขันมีกําลังที่จะทํางานต่างๆให้สําเร็จร่วงไปได้ข้อที่สามในการฝึกนั่งสมาธิขั้นแรก ควรจะทําอะไรให้สําเร็จก่อนในระหว่างสมาธิสติปัญญาก็ต้องจรารย์สติก่อนนถ้าไม่มีสติก็จะควบคุมใจให้นิ่งให้สงบไม่ได้ต้องหัดเจริญสติด้วยการบลิกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆไม่ว่ากําลังทําอะไ ร, รอยู่ก็อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องเดียว เรื่อที่เรากำลังทําอยู่หรือให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปข้อที่สี่การสวดมนตและนับรูปกประคำร้อยแปดจบจะเรียกว่าเป็นการฝึกสมาธิและสติเบื้องต้นใหม่ครับเป็นการฝึกสติเป็นการดึงใจให้อยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่แค่เราจับรูกประคำเราก็ต้องนับไปหนึ่งสองสามไปจะ ใจจะไปคิดเรื่องหื่นก็ไม่ได้ถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็จะลืมจะจาไม่ได้ว่ากำลังจับอยู่รูปที่เท่าไหร่นั้นก็เป็นการฝึกสติกตันคุณนัทนะครับก่อนนั่งสมาธิควรสวดมนต์บทไหนก่อนดีเจ้าค้าหรือนั่งได้เลยอ๋อถ้าเรานีนั่งไม่ได้เัาจะสวดมนต์เพื่อกล่อมใจไปก่อนก็ได้บทสวดมนต์นี่จะใช่บทไหนก็ได้ ส่วนไปก็เพื่อให้มีสติมีกำลังมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้นั่งเฉยๆนั่งดูลงหายใจหรือ น, นั่งทุกโตไปได้คุณปราณีนะครับถ้าเราไปถวายข้าวสารและไข่เราสามารถอุทิศบุญกวดน้ำได้ไหมเจ้าคะได้บนะุญนี้เกิดจากการทาทางนี้อุทิศได้จะคุณหน่อยนะครับการใช้สติปัดกิเลสไปเลย กับการมีเหตุผลเข้าใจแล้วตัดออกหยุดได้อันไหนจะสอนจิตได้ดีกว่ากันเจ้าคะาต้องปัญญาก็ามันจะตัดได้อย่างถาวรถ้าสติก็เพียงแต่ห้ามหยุดเมื่อชั่วคราวพอเผลอสติมันกลับไปคิดถึงเรื่องที่อยากมันก็เกิดความอยากขึ้นมาได้แต่ถ้าใช้ปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากนี้มันเป็นทิศเป็นทมันก็จะไม่อยากกลับไป เป็นอยากดืก่นชวราแล้วได้ความรู้ว่าดื่มชวราแล้วจะตายเร็วกว่าคนที่ไม่ดื่นชวราถ้าเราไม่อยากจะตายเร็วเราก็จะไม่อยากจะดื่มชวราต่อไปคำถามคำถามหมดครับก็มีใครอยากจะถามอนะไรไหมเพราะงก็ที่ว่ามันไม่สะดวกต่อการที่จะดาเนินกิจกรรมต่อไป ก็คว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในะวันนี้ไปขึ้นนิศพิจนาะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ